รธรรมเทศนาแผ่นที่56ลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่24มกราคม2557ในโอกาสอบรมคณะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรมีชื่อเรื่องว่าคบคนใดย่อมเป็นเช่นคนนั้นแล โอ้ห oh, ลวงตาเห็นลูกหลานแล้วก็สบายใจแล้วก็ถึงยังไงหลงตาเนี่ยมอบให้ลูกหลานนะีเป็นคนดีเนะีตั้งใจเรียนหนังสือนะั้นลูกหลานนะี่แต่หลวงตาเนี่ยเมือ่อเก้เนี่ยก็มีพระเมื่อวานหนึ่งพระราศิษฐาไปสององค์ที่พระนว ก, กะที่เรียนจบแล้วยังไม่ได้ทํางาน อะไมาบวชก่อนพ่อให้มาบวชพ่อเป็นรองคณะบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีนครินทร์ลูกชายกระจบเทศ ร, ริญาโทเพศสัตว์ของมหิดลจากนั้นก็จะทำงานแล้วก็บวชก่อนบวชให้พ่อให้แม่ก่อนพอบวชจึกเมื่อวานนี้ก็คงจะไปทำงาน เป็นเภสัชกองโรงพยาบาลจากนั้นก็เป็นไปได้ก็อยากจะเป็นอาจารย์ตั้งใจว่าจะเป็นอาจารย์สอนเภสัชให้กับมหาวิทยาลัยคนที่สองก็เป็นลูกของหมอจบจา ก, กเกษตรศาสตร์ผมศึกออกไปผมก็คงจะไปเรียนหนังสือที่จุฬาเอามั่นใจไหม จะเข้าจุฬาได้มั่นใจครับเออมั่นใจครับอท่าว่าไม่เข้าจุฬาเขาคงจะไปออกไปเรียนต่างประเทศอืพร้อมที่จะไปต่างประเทศไปเรียนจากในต่างประเทศครับนี่แหละหลวงพ่อได้ยินแล้วก็เด็กหนุ่มมีความตั้งใจอยงหลวงพ่อก็อนเน้นดาวว่าเอ พวกเรานะทั้งสองคนนะที่มาได้มาศึกษาเจ็กที่วัดหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อขอบินเบาทอย่างหนึ่งคืออย่างสุดๆก็คื อ, อยาถ้าเป็นไปได้อย่าไปดื่มสุราเพราะดื่มสุราเนี่ยทำให้ขาดสติคนที่ขาดสติแล้วไม่สานึกผิดไม่สำนึกดีไม่เห็นดีไม่เห็นชั่วเพราะมันคนขาดสติ ถึงจะเข้าไปเจราจาพาธีการค้าก็เสียเปรียบเขาพอเราขาดสติขาดความรอบครอบถ้าเราจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ยิ่งเสียหายใหญ่เพราะเป็นที่ดูถูกของสิทธิ์ถ้าหาว่าเราจะเป็นทำการทำงาน เ, เพื่อนฝูงที่มีศักด์รีถ้าเราไปดื่มสุราเมาเหล้าในที่ ชุมชนของเขาเขาก็ดูถูกเราอีกเพราะนั้นการดื่มสุราที่ให้มึนเมาไม่เป็นผลดีนะลูกหลานนะอันนี้หลวงพ่อโดยมากลงลงตาจะให้แนวความคิดสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาในวัดของหลวงตานะวัในให้ลูกหลานไนดะ้ฟังฟังเอาไว้นะลูกหลานนะสิ่งที่เป็นยาเสพติดทั้งหลาย อยเป็นยาเสพติดก็าตามจะเป็นสุราก็าตามเป็นของที่ไม่ดีทั้งนั้นถ้าเราเสพติดดื่มเข้าไปเสพเข้าไปแล้วพอมันถล่มเข้าไปแล้วนะ่ะไม่เป็นที่ยอมรับสาหรับตัวเองก็ไม่ยอมรับตัวเองจะนั้นกับพ่อแม่ญาติผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นที่รังเกียจเดียดสันเป็นที่รังเกียจพอเราติด ยาเสพติดเหล่านั้นจะเข้าไปบ้านใครจะไปคบค้าสมาคมกับลูกหลานใครเป็นมิตรเป็นเพื่อนเขากลัวทั้งหมดเขากีดกันทั้งหมดเพราะว่ากลัวเราจะไปทําให้ลูกหลานเขาเสียหายลูกหลานเขาติดอย่างที่เราเป็นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้มองตนเองอยู่เสมอสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปลี่แตะ อย่าไปลิคิดอย่าไปลิทำอย่าไปคบกับหมู่พวกเพื่อนที่เป็นลักษณะอย่างนั้นทำให้หมู่พวกเพื่อนทำให้เราเสียหายได้ง่ายอย่างเมื่อไม่นานเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยพ่อแม่ก็วิ่งโลกเข้ามาหาผมพ่อหลวงพ่อช่วยลูกผมด้วยเถินเรื่องอะไรเพราะว่ามีเพื่อน ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มามาตำรวจเขาเลยตรวจตรวจก็เพื่อนคนนั้นก็ได้ยาเสพติดพวกยาาก็เลยผมลูกชายผมซ้อนมาด้วยเขาก็เลยจับไปด้วยกันอยากจะให้หลวงพ่อไปพูดกับเจ้านายให้ด้วยจับตำรวจให้ด้วยที่หลวงพ่อมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่หลวงพ่อโอ้ย ไม่ได้ไม่ได้เอหลวงพ่อไม่เข้าไปยุ่งเลยในเรื่องยาเสพติดหลวงพอกลัวมากกลัวมันจะแปะเปื้อนมาหาหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อไม่รู้อีกเหมือนกันว่าเป็นเครือข่ายยังไงเพราะนั่นยาให้หลวงพ่อเขาไปยุ่งนะลูกหลานนะอย่ามาขอเลยมาม่จะมาหาหลวงพ่อเลยหลวงพ่อกลัวพูดได้เลยว่ากลัวเพราะมันไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนนี่แหละ อันนี้ก็คือที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นให้ลูกหลานฟังทางนี้ทางนั้นก็ให้สังเกตในหมู่เพื่อนเดียวกันถ้าว่าเพื่อนนี้คนนี้เราได้ยินวี่แววว่าเขาติดยาเสพติดหรือว่ามียาบ้ายา마เนี่ยถ้าเราไปคบกับเขาหรือไปนั่งมอเตอร์ไซค์กับเขาเนี่ก็เสียหายเสียอนาคตของเราได้ง่ายๆเหมือนกันโดยที่ ไม่มีเจตนานะเพราะทั้งสิ่งเหล่านี้การครบค้าสมาคมกับหมูพวกเพื่อนก็ให้ระวังเหมือนกันนะลูกหลานนะ อ, อ่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยากจะให้ลูกหลานเรียนเน้นภาษาอังกฤษนะเพราะว่าพวกเราจะเข้าประชาคมอาเซียนอีกไม่นานไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยแล้วว่าปีห้าแปดปีนี้ก็ปีห้าเจ็ดแล้วเนี่ย อีกปีสองปีข้างหน้าพวกเราก็คงจะเข้าประชาคมอาเซียนเรื่องภาษาในจาเป็นสำคัญนะลูกหลานนะเพราะเหตุหลายถ้าว่าเราเก่งวิชาชีพเราเก่งการซ่อมการทำงานของเราเก่งหมดแต่ภาษาของเราด้อยแต่ในลาวขาเขมรเวียดนามมันพูดภาษาได้เพราะเหตุหายเพราะมันภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศสมันใกล้ๆกัน เพราะเขาเป็นเมืองขึ้นทางฝ่ายยุโรปแต่นี้นเขาก็พูดติดต่อกับต่างประเทศได้ชาวต่างประเทศได้บริษัทห้างร้านเขาติดต่อได้แต่เราเนี่ยเป็นคนงานเก่งมีฝีมือแต่ภาษาของเราด้อยเราก็ต้องเป็นลูกน้องของลาวเขเมรเลยทีนี้ลูกน้องของเวียดนามเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ภาษา เราไม่เก่งภาษา เ, เมื่อเขาติดต่อเจ้านาย เ, เมืองนอกมายัางไงเราก็ต้องรับกินน้ำไหลสอกของเขาหนะอ่อยน้ำหย่อยสอกภาษาบา้านเฮาน่ะนี่แหละเพราะฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้เรื่องออภาษาเนี่ยให้ลูกหลานใส่ใจสักหน่อยหลวงพ่อว่านะเออ อย่าไปเล่นกงเล่นเกมจนเกินไปอย่าไปติดกงติดเกมจนเป็นอันนั้นเกมก็ใช่ก็เป็นส่วนหนึ่งให้เป็นการรับสมองให้พวกเราได้คิดแต่ถ้ามันเกินไปน่มันเกินไปนะถ้ามันเกินไปให้รู้จักว่าค่าเนี่เกินไปหรือเปล่าค้าเล่นเกมเกินไปเล่นเนี่ยเนี่าควรจะถอยนี่ควรจะเรียนภาษาเรียนวิชาอันไหนที่เราควรจะรู้ เราควรจะศึกษาและก็พร้อมกันพวกสื่อต่างๆหนังสือพิมพ์บ้างวิทยุโทรทัศน์อะไรก็ตามข่าวนะพวกเราควรจะติดตามไม่ใช่แต่ดูแต่เรื่องสัพเพเหระในสื่อต่างๆเราต้องพยายามติดตามตามเรื่องข่าวบ้างเรื่องบ้านเมืองบ้างเรื่องโลกบ้างเรื่องวิชาอาชีพเรื่องความรู้ต่างๆบ้างฮ นี่แหละอันนี้เราควรจะติดตามบ้างนะไม่ใช่แต่มั่แต่เรื่องไม่เป็นเรื่องแต่สิ่งเหล่านั้นเราก็ดูเป็นการเรียนรู้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าเรามีจุดอะไรมุ่งหมายอะไรที่เราจะเน้นหนักให้ใส่ความรู้ต่อไปภายภาคหน้าเราจะเป็นผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงภาษาอังกฤษหลวงพ่อจะเน้นเรื่องภาษาเนี่ย เพราะมันอยู่ต่อหน้าไม่กี่ไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยพวกเราควรจะเรียนรู้เรื่องภาษาแต่ตามไม่จริงครูบาอาจารย์ก็น่าจะใส่ใจอีกเหมือนกันวันนี้เป็นวันซกเราทุกโรงเรียนทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษพูดผิดพูดถูกก็ไม่เป็นไรต่อไปมันจะพูดถูกเอง จะโมดนักเรียนก็เหมือนกันแต่จะโมดว่าภาษาอังกฤษของเราเนี่ยมันอ่อนเราไปไปดูดูในอดิกชันนารี่ของเราเนี่ยเก็จดเลยคำในศัพท์นี้ศัพท์ที่มัน ย, กยากๆปากกาเมจิกเขียนใส่กระดาษเอซเขียนใส่แล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษสา น, นกะก็ติดไว้ในห้องนอนฮ เ, เ, เราไปก็นอนแล้วก็เห็นเลยนะ สัน์นี่ภาษานี้แปลว่าอย่างนี้แปลกับแปลงั้นคือในห้องนอนของเราให้มีติดไว้หมดเลยเอากระดาษติดติดติ ด, ต, ดติดไว้ภาษาอังกฤษสับไหนที่มัน ย, กยากๆพอเราเข้าไปแล้วก็ไปอ่านแล้วก็ท่องดูต่อไปท่านี้มันเคยชินกับภาษามันเคยชินกับตัวหนังสือนั่นะท่านเราเห็นที่ไหนเราก็พูดได้ภาษาอังกฤษนี่นะ เขาบอกกับหลวงพ่อบอกว่าให้ท่านท่องให้ขึ้นใจเพียงสองคำสอง้อคำเท่า น, นั้นแหะให้จาให้แม่นและตอนนี้ท่านจะพูดภาษาอังกฤษได้เพราะเหตุใดเพราะว่าพอรู้จักว่าช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ไก่ตัวผู้ไก่ตัวเมียต้นไม้ภูเขาลำทานอาหารข้าวเหนียวข้าวเจ้า คือเราให้รู้จักสับสับสับสับสองร้อยสับพอร้อยสัพท์ีนี้เวลาเราจะพูดเราพูดกับผู้ใหญ่แล้วว่าไงเราพูดกับผู้หญิงว่ายังไงเราพูดชายก็ว่าไงเราตั้งศัพท์ให้ได้เสร็จนี้กมันก็ประสมปภาษาผสมภาษามันก็พูดได้ทั้งหมดแล้วก็เนี่ยที่เราที่หลวงพ่อหลวงตาพูดว่าให้มีภาษาอังกฤษติดไว้ในห้องตัวเองเนี่ยอติดกระดาษพูดจะแก๊ปติดไว้ ถ้าตัวเองตัวจำได้หมดแล้วตัวนั้นฉชีงออกเอาตัวอื่นติดเอกนี่แหละอันนี้ก็คือเรียนภาษาภาษาโดยที่ใช้ใช้แนวความคิดเพื่อช่วยความจำของเราหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์นะลูกหลานไปทดลองดูนะ่ะสัน์นี้เขาได้ด็อกเตอร์มาหลายคนนะเยดยด็อกเตอร์คนหนึ่งเขาบอกว่าผมเรียนหนังสือไม่เก่งครับ แต่ว่าผมใช้เนี่ยใช้อย่างน AC เนี้ยเอซเนี่ยเขียนเขียนเขียนเขียนสับไหนสไหนภาษาอังกฤษติ ด, ต, ดติดไว้ในห้องพอเราจะนอนเราก็ตื่นเอ๊ะวันนี้สับไหนที่เราเที่จำไม่ไม่ได้ชัดหรือใช้ภาษายัางไงคำานี้เราก็อ่านอ่านดู เ, เสร็จแล้วเราก็มันก็จำได้เองเอผมไปเรียนถึงเป็นด็อกเตอร์จบมาจากอเมริกาเลยนี่แหละ วิธีการเบื้องต้นที่ผมเรียนภาษาอังกฤษนหลวงพ่อฟังฟังแล้วหลวงพ่อก็ได้นำแนวความคิดของท่านนั้นน่ะมาบอกกล่าวให้ลูกให้หลานได้ศึกษาหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะเพ่อหลวงพ่อเองสับไหนที่หลวงพ่ออ่านในบาลีใช่สับบาลีที่มันพูดยากๆเนี่ยแปลว่ายังไงเนี่ยหลวงพ่อจะเขียนเสีกระดาษติดในย่ามไปด้วย ติดที่เรามองเห็นได้ไง่ายๆพอได้เราก็เอามาเราก็ดูพอได้จบมากกวติดตาติดใจรู้สับคำพูดภาษาบาลีอย่างนี้แต่หลวงพ่อหลวงตาเองไม่ได้เรียนภาษาข้างนอกนนไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษห้องตาไม่ได้เรียนเรียนแต่เรื่องภาษาบาลีภาษาไทยภาษาบาลีสับไหนที่ออกมายังไง หลวงตาเรียดแต่ทางนี้แต่ตาไม่จริงหลวงพ่อมาถึงจุดนี้หลวงพ่อก็นึกเสียดายเหมือนกันนะลูกหลานนะนึกเสียดายสมัยหลวงสมัยก่อนหลวงตาเนี่ยไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดวัดป่าบ้านตาดวัดหลวงตามหาบัวนะ่ะ่ได้มีพระฝรั่งเข้ามาเยอะสมัยนั้นอนะสมัยสอง2 1นห้าอยสิบสอสิบสามทานี้พระฝรังพระฝรังเออเขามาเขาก็ไม่รู้ภาษาไทยเหมือนกัน แต่เราก็ไม่ช่ปไม่ล้ภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่นด้กเขาก็มาเรียนมาเรียนภาษาไทยกับเราใช่เราก็สอนให้เขาว่าสั์นี่ว่าอย่างไรเขาก็จดเขาก็เรียนแต่ลุงพ่อที่แรกก็เรียนเหมือนกันนะทำท่าจะเรียนมันทำท่าจะเรียนเรียนกับเขากับพ่อฝรั่งโดยเพาะฝรั่งแก่ๆเนะี่ยอายุมากๆสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยนะภาษาท่านไม่กระดิก จะเลยเนี่ท่านมาเรียนภาษาไทยนี่อันนี้แหะอันนี้เราก็พยายามสอนให้เขาบอกภาษาไทยให้เขาเราก็พร้อมกันเราก็เรียนจากภาษาเขาอีกสับสับภาษาอังกฤษว่าอยังไงนี่ท่าก็ออกเสียงให้ฟังเราก็พยายามออกเสียงกับเขาเหมือนกันพอต่อมาทีนี้พอเรามาศึกษาศึกษาธรรมะด้วยศึกษาภาษาอังกฤษด้วยทีนี้ ในใจของหลวงพ่อก็เลยต่อต้านขึ้นมาเฮ้ยเรามาเราไม่ได้มาเรียนภาษานี่ว่าเรามาเรียนธรรมะเรามาภาวนาปฏิบัติเราจะมายุ่งกับภาษาทําไมวะจากนั้นก็เลยตัดทิ้งเลยไม่เรียนภาษาเรียนรู้กับพูดพูดปะปะประปายไปอย่างนั้นแหละกับฝรั่งเพราฝรั่งตั้งหกเจ็ดแปดองค์ในว hmm. ัดใช่ไหมล่ะพระไทยก็ม hmm. mm ียงห้าหกองท่านเองน่ะ แต่หลวงพ่อจะเรียนโอ้หลวงพ่อมีโอกาสที่จะเรียนพูดได้ที่เดียวเลย่งั้นเถอะแต่มาคิดเตี่ยนนี่นึกมาถึงชุมชนสังคมได้คบคาสมาคมกับศรัทธาญาติโยมหลายระดับไม่รุตประเทศไหนต่อประเทศไหนเข้ามาวัดหลวงพ่อเมื่อไม่นานมานี่กนเอออินโดนีเซียเข้ามาหลายคนพระฝรังงร่งโจรฝรั่งต่างประเทศก็อังกฤษ ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาของมาเป็นยี่สิบสามสิบคนหลวงพ่อพูดภาษาไม่ได้ก็ต้องอาศัยคนอื่นเป็นล่ามให้หลวงพ่อถ้าเราได้ภาษาแต่ข่าวนู้นก่อนน่าจะดีเหมือนกันนานะกันเลึกเสียดายนะแต่ก็ไม่เป็นไงมันผ่านไปแล้วนะจบไปแล้วละ่ะเพราะเราก็มุ่งเน้นเรื่อง เ, อเรื่องภาวนาเรื่องปฏิบัติเรื่อง ศึกษาเรื่องธรรมะจากองค์หลวงตามหาบัวนะเราจะมามัวเมียเรียนภาษาอยู่ก็ยังไงยังไงทําให้เนินช้าเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เลยหลวงตาก็เลยไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษนี่แหละพูดให้ลูกหลานได้ฟังเพราะนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายนะจากนั้นก็ให้เป็นคนดีนะลูกหลานเนอะให้เคารพในผู้มีพระคุณทั้งหลายมีพระคุณทั้งหลายก็คืออะไร ในหลักของพุทธศาสนาเนะี่ยในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่ามารดาบิดาเป็นบุคคลอาจารย์คนแรกพวกเราคิดดูสิว่าเราเกิดมาแต่เป็นเด็กนะใครสอนเราก่อนพ่อแม่สอนเราก่อนนะกินนะ่ะข้าวอย่างนี้กินน้ำเหมือนนี้นอนอย่างนี้นะเ อ, อลูกร้องไห้กับพ่อแม่ก็ต้องดูเนะี่ย น่นแหละพ่อแม่เนี่ยเป็นอาจารย์คนแรกเรียกว่าเป็นบุพาาาการีบุคคลผู้มีอุปกราระก่อนลูกพวกเราเป็นลูกของท่านเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทากิจธุระของท่านดํารงวงศกุลปราพฤตรตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว เมื่อพ่อแม่ลลวงรับตายไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้อันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนให้ลูกหลานฟังฟังเอาไว้นะอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนท่านไม่ลืมหลบรูบุญคุณของพ่อแม่แล้วก็ท่านว่าทิศเบื้องหน้าคือพ่อแม่ทิศเบื้องหลังสามีภรรยาเมื่อเราแต่งงานมีสามีภรรยาให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันให้รักกันเมตตากัน อย่าไปล่วงล้ำกันอย่าไปนอกใจสามีอย่าไปนอกใจภรรยาให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือทิศเบื้องหลังทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์เมื่อพ่อแม่ส่งเข้ามาเรียนหนังสือก็นี่ยแหะครูบาอาจารย์ทั้งท่านผ อ, อทั้งรองผ อ, อครูบาอาจารย์แต่ละวิช า, าชีพท่านก็สอนประสิทธิศาสตรความรู้ให้กับเรา ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์เราคิดดูสิเราจะฉลาดไหมเราจะรู้เรื่องภาษาไหมเราจะรู้เรื่องขนรรมเนียมประเพณีไหมไม่มีเพราะเราไม่ได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์คือเหมือนกับคนเรานียืนอยู่อย่างพ่อหลวงพ่อนั่งทิศเบื้องหน้าใช่ไหพ่อแม่ใช่หมทิศเบื้องหลังสามีภรรยา เพืเบื้องขวาครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าหาว่าเราไม่มีครูบาอาจารย์เราจะเฉลียวฉลาดได้ยังไง เ, เพราะฉะนั้นท่านหวังให้เคารพครูบาอาจารย์ที่เราเป็นสิทธิ์เห็นครูบาอาจารย์เข้ามาในวงการในพวกเรากําลังสนทนากันอยู่เห็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาเดินเข้ามาให้ลุกขึ้นยืนรับลุกขึ้นยืนรับเข้าไปขอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังโดยอุปถัมภ์ ด้วยตั้งใ จ, ใจเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพอันนี้ก็คือทิศเบื้องขวาทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายมิตรสหายก็คืออย่างพวกเราลูกหลานทั้งหลายเนี่ยต้องมีหมูมีเพื่อนถ้าคนเก่งคนเดียวเก่งได้ยังไงถ้าเราจะมีการทำมาค้าขายการทำการทำงานเราต้องมีหมูมีเพื่อนมีน้ําใจมีกาลยา น, นมิตรที่ดีถ้ามีคนกลยา น, นมิตรที่ดีมากๆ ช่วยเหลือเกื้อกูลหนุนกันคนนั้นจะมีแต่ความเจริญนะลูกหลานนะเรื่องกัญญาณไม่จำเป็นแต่ว่าปา่ปาปะมิตรเนี่ยฟังเอาไว้เถอะปาปะมิตรคือมิตรชั่วนะอย่าไปครบถ้าครบมิตรชั่วแล้วจะชั่วไปถึงวันไหนไม่มีที่วันไม่มีวันสิ้นสุดให้ครบกัญญาณมิตรมิตรที่ดีอันนี้คือคิดทิศเบื้องซ้ายมิตรทิศเบื้องต่าคือลูกน้องบริวาร ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมามีครอบครัวขึ้นมามีเป็นบริษัททางร้านขึ้นมาเป็นพออขึ้นมาเป็นสมภารวัดขึ้นมาเราก็ต้องมีบริวารลูกน้องเราต้องปฏิบัติตนให้ถูกกับลูกน้องต้องช่วยเหลือลูกน้องดูสารถูกสุกดิบของลูกน้องดูการเจ็บไข้ได้ป่วยลูกน้องดูการงานให้ลูกน้องเรื่องปัจจัยสอะไรทุกอย่าง ต้องเกือกูลหนุนเขาดูแลเขาให้ดีถ้าวานเราไม่ดูแลลูกน้องให้ดีลูกน้องนั่นแหะจะเป็นพิษเป็นภยัยเราจะอยู่ได้อย่างไรเพราะเหตุอะไรเพราะลูกน้องไม่ดีเราไม่ได้ให้ความใส่ใจกับลูกน้องนี่แหละลูกน้องบริวารก็จําเป็นสาคัญว่าทิดเบื้องต่ําบาเทิดเบื้องบนสมณะพรามณ์สมณะพรา ม, มณ์มเนี่ยคืออย่างหลวงตาเนี่ยเป็นสมณะพราหมณ ลูกหลานเข้ามาหลวงตาก็บอกเอยลูกหลานนะเน้ออย่างนี้มันดีนะอย่างนี้มันไม่ดีนะอย่างหลวงตาบอกว่าอย่าไปกินเหล้านะั้นลูกหลานเนะ้อคําพูดทีแรกอย่าไปติดยาเสพติดนะั้นลูกหลานนะเน้อแล้วก็ให้เรียนภาษาเนะ้ออีกไม่กี่วันข้างหน้าประชาคมอาเซียนจะเข้ามาหาประเทศเราแล้วนะให้ลูกหลานตั้งใจเรียนหนังสือเนะ้อเน้นภาษาอังกฤษนะั่นลูกหลานเนะ้อนี่แหละคือสัมมนาผ่ำ อย่างลงตาจะแน่ทาสั่งสอนลูกหลานจากนั้นก็ให้เคารพในทิศทั้งหนะลูกหลานเนอะทิศทั้งหเนี่ยทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาทิศทิศที่หนึ่งทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศที่สองเออทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ก็ทิศเบื้องสามทิศเบื้องซ้ายหมู่มิตรสหายหมู่เพื่อนทิศเบื้องสี่ทิศเบื้องหน้าลูกน้องบริวาร คนรับใช้คนงานอันนี้คิดทิศเบือเบ้องห้าทิศเบื้องหกก็คือส ม, มณพราห ม, ม, มณ์สมณพราหมณ์กว่าอย่างหลวงตาเนี่ยนะอแนะนําบอกกล่าวลูกหลานให้เป็นคนดีนะลูกหลานนะอย่าเป็นคนที่มันไม่ดีปฏิบัติตนอย่างนี้อย่างนี้นี่อย่าไปเล่นเกมมากอย่าไปติดเกมแต่ก็ให้เล่นบ้างแต่อย่าไปให้จะให้ถึงกับติดทําให้คุณ วิธามวิชาอาชีพจะ่งอื่นเสียหายใ ห, ให้ดูนะลูกหลานนะเนี่แหละคือสา ม, มัณพรามณ์อย่างหลวงตาเนี่ยจะแนะนําแต่สิ่งที่ดีให้ลูกหลานเป็นผู้ประพฤติปฏิบัตินะแต่ในหลวงตาจะพูดเรื่องชาดกให้ฟังอีกนะท่านนี่พูดชาดกเพราะ ล, ลูกหลานถ้าเป็นพูดให้ฟังอย่างนี้ลูกหลานอาจจะลืมจําได้ง่ายจําจําได้ยากนะหลวงตาจะพูดให้ฟังว่าครบคนใด เป็นเช่นคนนั้นแหละทำนี่ฟังเอาไว้นะถ้าเราครบคนดีเราก็ดีไปตามเขาถ้าเราเขาเราไปคบคนกินเหล้าเอี่ยไม่หม่ไอ้นี่กินเหล้าวะ่ะไม่ชอบอ่อแอเมาพอคบไปคบมาเอ๊ะมันกินเหล้ามากกันก็ดีเหมือนกันนะวะลองลองกินกับมันบ้างสิเอาไปเลยไปกิจไปกินกับมันเตะแบบมันอีกเลย พอไปครบ้ลนคนเล่นการพนันเออใหม่ๆเขาไอ้นี่าาานตายยิบหายเล่นการพนันเล่นโบกเล่นเบีย้ยเล่นบัตรเล่นเบอร์ต่อไปก็ไปเล่นกับมันเอ็กโอ้ได้มาเว้ยได้มาแบบง่ายๆวะเอาไปมาเลยติดการพนันกับมันเอ็กเอถ้าหาว่าเป็นนักแลงหัวไม้ไปหาปน้นหาจี้คดโกงเขาเลยต้นไปกับเราต่อไปกับเราก็เป็นคดโกงเป็น นักเรงหัวไม้ไปป้นไปคดไปโกงเขาต่อหน้าต่อตาเขาได้เพราะเห็นไรเพราะว่าเราไปคบกับคนที่ในหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าคบคนใดเป็นเช่นคนนั้นแหละคล้ายๆว่าเหมือนกับคนนั้นแหละถ้าเราครบเป็นนานๆเพราะนั้นลูกหลานให้ฟังเอาไว้นะแต่ใ น, นท่านก็เลยยกเป็นชาดกขึ้นมา สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ในมันเป็นชาดกนะมาในพระไตรปิฎกนะลูกหลานสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทรับอยู่ที่กรุงสาวัตถีท่านปาราบเรื่องภิกษุการครบค้าสมาคมของภิกษุเนะี่ยกระนาดภิกษุท่านก็ยังให้เลือกคบนะท่านอยากให้เลือกคบว่าภิกษุองค์นี้ดีองค์นี้ไม่ดีท่านยังให้เลือกคบอีกต่างหากค่นะให้คบคนดีสรุปแล้วนะองค์หนึ่งไปคบพวกกลุ่มของพระเทวทัตเนี่ ท่านบอกว่าครบคนใดก็เป็นเช่นคนนั้นแหละนัมีมาแล้วในอดีตการพระพุธองบอกพูดเพียงแค่นั้นแล้ว ก, ก็จบพระสงฆ์ทางหลายก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระพุทธเจ้าข้าที่อบอกครบคนใดเป็นเช่นคนนั้นแหละอยากจะฟังเหรอพระเจ้าข้าพระพองค์บอกว่าสมัยหนึ่งกรุงพาราณสี กรุงพหลนราาีคือพระเจ้าแผ่นดินยุคสมัยนั้นเขาจะต้องเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าเป็นพาหนะเพื่อจะเราเข้าสู่ศึกสงครามออศึกสงครามมันต้องได้ใช้ม้าม้าก็ม้าเร็วใช่ไหมช้างเนี่ยก็เป็นขนศึกที่เข้าไปขัดประหารกันเหมือนกับพระนเรศวรอย่างนั้นแหละแต่นี้ก็เขาก็เลี้ยงช้างเลี้ยงม้าแต่ม้าพระราชาเนี่ยก็เป็นม้าที่เลือกคัดสรรอย่างดีที่สุด รอบรู้ฉลาดตัวย่อยฝีมือฝีเท้าเกง่งอย่างนี้แหละเขาเ้าเลือกขันไว้เป็นมา้าพลาชาเป็นม้าทรงของพราชานต่เด้กเขาก็เอาคนเอาคนเลี้ยงม้าอีกที่ใส่ใจเลี้ยงมา้าดูแลมา้าใคราว่าเป็นจัตแพทย์ในตัวอย่างงั่นแหละดูแลม้าให้ดีที่สดุดแต่เด้ก็ คนคนนั้นก็ดูแลม้าของปราชาต่อมาเนะี่ยเขาไม่สบายเขาก็เลยลาออกมาเนี่ยพอเห็นลาออกตเนี่ยเขาก็เลยเขาว่าใครจะเป็นคนเลี้ยงม้าอีกต่อไปเขาก็เลยนาย น, นี้แหละแหมเป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดเป็นดูแลเกี่ยวกับรู้จักเรื่องเรื่องของม้าด้วยลักษณะเป็นศัตรแพทย์ด้วยลักษณะอย่างนั้นล่ะแต่อันนี้บุคลิกไม่ดี E, บุกลึกไม่ได้คือเป็นคนค้าเป๋วนไปอันนี้เป็นคนค้าเป๋เองคนที่สองนี่ยต่อมานี่ก็เวลาจะเดินจะเดินเอามา้อาออกไปกินหญ้าใช่ไหมมันก็เดินนําหน้าม้าใช่ไหมมันก็แผลก็แผกแหลกไปเลยอย่างเงี้ยขาเป๋ใช่ไหมคนค้าเป๋เดินเนี่ยเวลาจะเอาไปกินหญ้าเอาไปกินน้ําเอาไปอาบน้นําเดินนาหน้าม้าใช่ไหม ก, ก, ก็คขาเป๋แผลกแหลกแผกแหลกไปอย่างเง ต่อไปม้าตอนนี้มันก็คิดว่าเอ๊ะเจ้านายของเราเนี่ยคงอยากจะให้เราเดินอย่างนี้ก็มั้งเนี่ม้าตอนนั้นก็เลยเดินต่อไปตระมาณม้าก็ได้ทําเดินไปแขกแขกแขกเหมือนกันนี่เออเหมือนกับเหมือนกับไอ้ได้เลี้ยงของมันเหมือนกัะทีนี้ก็ม้าท่านเดินสามขาแขกแลงแขกแรงเห่าม้าพรราชาเดินอย่างนี้มันได้ยังไงใช่ไหมล่ะเออม้าส่งของพราชา พระราชาเอาบมาของเราทำไมมันเดินอย่างนี้วะเดินสามขาแผลกแหกแผลกแหลกหนึ่งๆจากนั้นก็เอาจัจตจตแพทย์มาตรวจเอาศาสนาจานยเอาศาสราจารย์ศาสตศาตแพทย์าามามาก็มาตรวจมาดึงขามาจับเขามาตีดมาดูเล็บมาดูอะไรก็ไม่มีอะไรผิดปกติมันก็อย่างเก่าหมดทีนี้นก็ เอ๊มันจะควรจะเป็นจิตแพทย์มั้งเอาเอาจิตแพทย์มาสวมสัตแพทย์มานั่งดูพอมานั่งดูทนี่พระเจ้าแผ่นดินท่านมีเอ๊ะปโปรหิตตาจานเนี่ยปโรหิตตาจานคล้ตตายๆกับเป็นเหมือนกับองค์ข้ามนตรีทุกวันนี่แหละฮ่าเปรียบเพียบนะเป็นโปโรหิตตาจารย์เป็นอาจารย์ของพระ ร, ราชาคล้ายๆพระราชามีเรื่องเล่าอะไรเกิดขึ้นโปโรหิตตาจารย์จะ เป็นผู้แนะนําเป็นผู้บอกกล่าวเป็นผู้ให้ความคิดแนะนำํำเป็นผู้รอบรู้ะขันธ์าหาผู้ที่มีความรู้นะ่ะมาที่เป็นที่ปรึกษานะทีนี้นท่านก็เอาโปรยหิตตายจานมาหลายหายท่านมาก็ไอ้ม้าของเราเนี่ยทำไมเนี่ยผมม้าเป็นม้าประหลาดชาใช่ไหมพาม้าเข้าศึกสงครามเนี่ยจะไปเดินเคเล็กเพกเคล็กเพกยังได้ยังไงใช่ไหมเออ ตอนนี้บโรหิตตายจานก็มานั่งดูสังเกตสังเกตสังกาต่างคนก็ต่างสังเกตใครเราแต่ในบโรหิตตายจาย์คนหนึ่งท่านฉลาดท่างผมเอ๊ะกระผมขอขอดูขอดูอีกสักวันเป็นส่วนตัวแล้วก็ให้ท่านดูพอดูเสร็จแล้วท่านก็ บ, บอกเอ๊ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอเปลี่ยนเปลี่ยนคนเลี้ยงม้านี่ ให้เป็นคนอื่นดีไหมแล้วผมขอเสนอทำไมเออก็เลยไปกระซิบกับพระรายชาบอกว่าม้าตัวนี้เนี่ยเป็นมา้าที่ฉลาดเรียนรู้รเร็วเพราะนั้นเราจะเอาคนที่ขาเป๋เนะี่ยมาเลี้ยงอย่างนี้เนะี่ยมันก็ต้องเรียนแบบคนขาเป๋เออเพราะนั้นขอให้พระ อ, องค์เอาคนที่รูปร่างสงงาพาเผยองค์อาอ เดินแบบผายผึ่งผายองค์อาจมาดูแลชะชะม้าตัวนี้ทดลองดูสิสักเดือนหนึ่งเออพระราชาเอเออ่ใช่อนุมั ต, ติตับแต่นั้นก็เอาบุรุษที่ว่านอะเดินองค์อาจกล้าหาญแบบสา ม, มารถเหมือนกันแต่เออพาไปชะม้าตัวนั้นไปกินหญ้า ก, กินน้ำเออพอม้าตัวนั้นเห็น เลูกพี่มันเดินสมมาตรมันก็เดินสมมาตรตามใช่ไหมอะไรทีนี้ม้าตัวนั้นก็เลยหายจากขากระเพกไงนี่แหละจากนั้นก็เล ย, ย, เเลเลยตั้งแต่นั้นมาพระราชาก็เลยให้คนนั้นดูแลม้าต่อไปนั่นนะเพราะพรพุทธเจ้าทวานณะภิกษุทั้งหลายการครบค้าสมาคมกับผู้ใดกับใครก็ตามถ้าคบกับคนใด จะเป็นเช่นคนนั้นแหละนี่แหละให้ฟังไว้นะลูกหลานนะเอขนาดม้า ก, ก็ยังคบกับคนขาเพกยังขาเพกไปตามใช่ไหม เ, เพราะนั้นลูกหลานเวลาจะคบค้าจะมาคมกับใครต้องรู้ซะก่อนนะถ้าคบกับคนไม่ดีลูกหลานจะจะกลายเป็นคนไม่ดีไปด้วยนะกาครคบกับคนดีลูกหลานจะเป็นคนดีเพราะ น, นั้นลูกหลานนะเลือกคบนะลูกหลานน ะ, ะการ พูดการกล่าวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาแลนลูกหลานนะเดี๋ยวลงตาจะให้พรเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลนะนลูกหลานเนะ้อ